ไม่เยีาิตรงตรงอ่ไปต่นะ้าต่ไม่มาหาเลยไม่เหมือนนเจ้าไม่เว้นไว้นะผมจะขอให้คุณหลวงพ่อไปจัดหัวที่ไปเข้าป่าตะพุกวัดหลวงพ่ไปดูพรประานอาหารนวกันเก็ได้ายแเอ แต่เาดีก่อนให้หลวงพ่อหลวงพ่อพ่อไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นไมันไม่ได้ลอยมาแล้วก็พูดว่าอันนี้เ็นอะไรที่คุณกระตายเรียนามเรียว่าการแั่ทะลุเป็นผู้หญิงแล้วมองไปับ่รัประธานเรื่องาหงอย่างนี้จะมีพ่อในฐานะในหลูงหือหทาไม่บาปไม่บาปมันนีไม่มีอยเลยน อันนี้เป็นเรื่องของเรื่องที่ไทยเหรอจ๊ะเรื่องที h ไต้ใหญ่เร a ่องไตใหญ่ป็นภาีานะคไม่มีันหเอไอ้ที่นาไดเลยั้งกาารจคือว่า หไปที่บอกเรื่องรายหนึ่งเปนลูเรื่องราหน้าผาสมากก็เลยตั้งใจบอกเ่าว่าจะขอเพื่อเป็นต่อเขาไมยอมขายให้หนูก็เลยตัวใจแฝเป็นเล็กขโมยแฝงอาไปเลยเอาไต่อตัวในฐานะหน่มเป็นลูกศของพ่อไม่ทราบว่าเจ็บผู้อแต่เป็นเลขมอปต่อยอย่างนี้จะได้บาดเจ็จะไดุ้ณก่วหันมาเล่าถึอได้ได้ยังไม้น บาร์ก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมครับแต่วทาเราดูไม่ทราบเรามีนะแต่ถ้าโย่านั่งไปทานตรงสุดบาร์ไม่ใช่ แต่าจะว่กัวแก่ๆน้ำไม่ได้ประกอบก่อนตว่าไพล้วันนี้แก่ๆง้ำหลไ้ปรอบ่องกจมชีวิตตี้ใส่เฮ้ยยากก็พยายามไมได้ดีมากกว่าเดิมนะใจใจแล้วก็นี่เป็นข้าวโบราณเอ๊นโบราณจะกินไงก็น่ากิ เราคิเกี่ยวกับเาเอาเาาเจียนต้องหัโเจ็ไม <lers> <c> um <t> ่็มาตั้งตได้ไงม่แต่ไมาที่เจ็ดสสีแล้วก็เจไนะการทานน้ำตาลข้อที่เราลดอย่ากหนุลู่สมัครไุนสิของขมาหลายปีแล้วแต่ที่นี้มาระยะไม่นานนี้ไม่ทราบว่าเตุใดการเงิน ปุณสาตวครอบครัวมีปัญหาร้อยแปดกรรมการทั้งๆโดยแต่รำกรรมฐานทั้งๆโดยแต่ทำบุญทำบุญแต่ไม่เป็นประโยชนได้อันนี้เรืองครัวจะเสียใจต่อกเวาเรื่องเรื่องเรื่องพ่อจมีความแข้งแขร่งที่ธรรมดาดังนั้นจึงขอการเวียนถาวพ่อขอหลวงพ่อให้พรให้กาลังใจเพื่อเป็นประโยชน์ใดขอเรื่อง่องใดไหมนี่ก็เราใส่ข้อูลมันมีมีารนั่เรือด้วนะ่านั้นก็จริง ที่ว่าทำอะไรกเต้องพอใจกันล่โลกเปล่ากว่าที่สุดโลกหนึ่งท่านเปล่าหวานว่าที่สุดโลกหนึ่งท่านเป็นท่านบอกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าทำเรียกงทะลต่อไปท่านเอาผ้าขาวมาปิเต็มโดยใช้ต่อเขี่ยบนผ้านั้นเป็นลูกแขกเองมีความขาดแน่ต้องเปียนต้องเหมือนกีเรศุนยมาจะต้องขาดทุกตอนเลยแะเลกละน้อย ที่เราเริียนถามก็คือว่าการสอนแบบนี้จะเป็นสิตจะพัฒนหรือเป็นวิปปนาหรือเป็นอย่างไรขอร้องขอถือใจมงคลได้ใส่เาเครื่องีเหลือใจมงคลรกพุทปฏิมาพระ้่หมระพุทธปฏิมากันอะไรก็ต้องเวียดอะไรต่างๆเอ้ยหอเปดีตลอดเลยหน่งเป็นดีอันเดียวฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ ถ้าในกลาง่ลวพ่อรอบๆดูโอ้ยน่ารักมาหางองเลยแต่ก็นใจนะล้ก็กระดูกนนก็เห็นยาวว่ากรกันนี้ลูกจะเข้าว่างแทงโินเศทันแล้วก็ลูกกินปาทำเกิดประการเย็บผ้ากิจการเจริญตีขึ้นเรื <S <S ่อยๆคมนี้ล็อกเห็นลูกศิษย์หลวงไ่อะคระดับนั้นีดีให้วพอนะ เดี๋ปัญหาก็มีอยู่ว่าอย่างนี้ท่านสี่เนที่ท่านมู่ฟ้าปฏิบัติการมาด้วยใจแรมากไต้องไปเอาสายเบียดเรียมันก็จะรู้ท่านสี่อมาหากินไอ้ใจมันก็รู้ว่ามนเท่อนไอ้ใจเนี่ยก็เพราะความจเป็นรู้ให้สบายใจขอเรีนศึกษาหาพ่ว่าลกควจะทาอย่างไรที่จะพักสบายสบายมากไม่มีเพื่ไม่มีเนันไ่ไรใชคับเพาะว่าจำเปนเต ที like this, that ่ใจแล้วก็เลยพอยู่แล้วแล้วไม่หละหลามากวันีไม่ดียัดจั๊กไปมองเขาพูเออเป็นผู้พานิสติกเออคม่ีใหญ่เลยมามาจับจงเสียก็แก้จะได้เลยลูกแตูกก็ยันเลยอันดีใหญ่เลยนะครับอ่ามีบอกว่าตามพ้าแล้วก็หยุดรจากโต้ลูกเราขออนุญาตเดี๋ยคว่าดูวราลูกทางานที่หนึ่งก็ไปงานยากมากแต่ก็มีนังจะทำเต็มได้ รายการให้ลุงตังติานว่าได้เงินทั้งห่าไรเขาไหวหรือเขาเอาหมดให่ใหญ่เลมั้งเอเอาหมดเป็นตังเ่ยเขาจะพูดไรให่ได้่ใหญ่ใหญ่่ใหญ่ใหหญ่ใหญ่ใให่หญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ่ใหญ่่าหญ่ให่ให่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่่ให่่ เนี้จะทำเบ็ง่ายกว่านเายใจเลยนะถ้าพอยสัเมครับาครับผมยาวมาเลยพท่องคาถาสามปัจิตภานิราโสดว่าเมื่อท่องคาถานี However, as well as ้แ well, ล้วรูปเห็นเเป็นเจ้าทำสิ ท <languages? S 2> ่านมาให้ลูกมองท่านเป็นเจ้าสิทธิ์ท่านสิทีนี้เอ่อเจาสิทธิ์ที่ลูกสงสัยที่สุดก็คือเจาสิทิ์นลง้าสิทิ์นนี้ให้ทราบว่าเมื่อทไปแล้วจะเห็นผลหรือเปล่าควรจะเริ่มข้าอย่ารประการใดแต่หน้าลาฬใจคือว่าธรรมะที่ภาวนาไปเห็นเป็นเ็นสุขทั้งกายเป็นประกายเป็นแสของท่าน ผม้ทอย่างนี้ได้รู้ว่าเป็นเรื่องโกหแโกหไรโกหโ้ะถ้าคุ้นเลยเอาสุจารณกินมันอึกลกเลยมออกลนี่นี่แแทักปาแรกไปจ้ะถ้าคุ้นใจอะไรก็ได้คุ้นตื่ได้หดอ้าไปไปไล่กินละ ไล่เหมือนกันได้ก็ได้เลยได้เล ย, ย, ดยได้ยานไดอยาน้นึ่ก็ได้ต้องได้เงะเงิได้เยอะพอเออยูดถเรื่สิทนีก็งถามพ่อที่นึนน่ว่าเออผู้ที่ได้ิทนี้จะาว่าจะไปต่อพิพากษาญาณที่จะมีประโยชนมากตอนกี้นขนาไหนไม่รู้คือไม่รู้สิทธิ์อะรคื ก็ส c ่งแรกก็สิ่งก็คือการงานฮัก็สิงที่างงก็งาางก็าทกแล้วก็หไปทัายแ้วตายวันสิ่งเดียวกันเก็ตาย่ี่มเอสยหายเเกินนะไม่ยมันยาวทเจ้านี่ยอน่ เอาเขาสุดเลยเล่าจากย่าสนใจในรูปแค่นี้เขาจะสนใจในรูปอปกรณ์เใช่เใจมันจเ่นป็นศูนยแน่เลยไม่ไปแล้วไปแล้วแล้วอาาก็เป็นนันว่าที่ทำมาดีแล้วนะ ต่อไปก็ส ร, รางแกน์มาหากองปับันนี้ไม่ถึงโหสรุปไปพเดิมหรูอที่หักของเก่าหรืออื่นตอนนี้ผมเข้าปันหาในภาคเนที่มันเป็นภาคกลางมาแล้วที่ดีกว่าา ไม่รู้จะหมดกี่ต่อต่อต้องขายไปด้วยไม่คิยตัวเลยไปตอนตอนอี้ก็ไม่ใชออไม่ตึงหัวไม่ตึงฉันจำไม่ตึงหัวคิกันเลยเลยนะก็ได้แล้วดลืมยานเสียงท่อมจิตจะได้ข้างทางเลจ้ะ ออกมาบอว่าทำไม่ได้แต่เยอะ่าวนาติศสรี่ไเรื่องร่างตัดในตอนนี้ว่าจะได้มากใส่น้อยอย่างได้ันตาบุกใส่ใจสบายพนัานแข้อดีกว่าเพื่อนและอธิบายคุณลูกพ่อขอให้หลวงพ่อเวียนคอนไ้รับสงความก็เลรู้ทุกทีเลยก็ซาเยอะเออท่ารู้ก็เท่าไหร่ ใส่ปีนี้สาทานนะใช่ข้าวที่ก็คมนนะตอนบนอาจจะเป็นข้าวโพดสาระทานตอนใส่ใส่ที่ได้หมดแล้วมีที่ใส่ก็ตายข้าวที่ใส่ที่ก็คือมันนะได้ถ้าวก็หมายถ้าคุณมีบ่อยก็คืีมันด้ยเออครับเอ้ยภาษาโนราณขางขายข้าวขาหมเออใช่จิตดีจิตมาี่ดีตั้งใจดีก็ได้ได้ทุกอย่างนะครับ แล้ว่อในหาดเว้นทรายในรูดเกิดรักษาการรักษาเขาแจริงๆครับภายในสามป็นี้ไปติดต่อาชการเพื่อจะได้อยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ไปติดต่อบริษัทรับแรงังินเียร้อยแล้วแต่เขาไมด้ื่อนว่าไปไหนตัวตัวตัวตตัวตัวได้เขาไม่ได้แต่คนั้นวันนี้เราตงถึงอว่า มีวิธีการอะไรเอาที่เกิดให้หายไปหายใหจริงก็จรเลยนะไปสมัครสิครัไปอะไรืงนนะโอ้ไบายดีนะไปเบื่อเลยไม่เบื่อเลยที่เป็นอะไรวะวันนี้เวลาอะไรจะทำบุญกักจั๊กจั๊กัา่เอารงไม่ได้ลาบเข้าวอที่เขาลงจากห แต่ทีก็ตั้งใจเลยว่าจะวดีลานี่ห้าวันแล้วก็อ้อแบบงอ่านี้ได้ไหมไดค่หบปวดทีแรกเะฟดไแล broken, arem, ้ว <DK> ก็เล right. ิกแล้วทีหลังมาต่ออีกแบบฝันเลื่อนประเด็าต่อเป็นถึงห้าวันเอ๊ยนไปเลื่อาเพรว่าจะไม่ถึงจุดเรียนถามแล้วก็อย่างนี้จะพอก่อนตั้งก่อนยาเลยู้ตานะไอ้นุ่ที่ไฟเจบนนธรรมดาก็เด็ว คุอไมได้ไม่ได้คือต่อวันไม่ได้แต่เดนาไูว่ได้หรไม่ได้มได้มนะเป็นไปดว่า่ใช่ีกว่าอ่าเพราะกยาจะีนไม่ได้แล้วพ่อครับการินลูกลยอมาเลยหรอกเราว่าเป็นรูปิของพ่อเพื่อเรียนเพื่อกำไปตองหมอ พูดอกว่าอะไรก็สุกเ่าก็ะาปแทมันไมจริงอย่างที่หมอพูดทุกประการเลยนะครับตอนนี้ถัาเสียวเสียวจะไวเอ่อจะทำอย่างไรคุณจะให้จิตใจแข็งแกร่งไม่ต้องวงต้องปลุกไม่ต้องวงกเส่าขอหลวงพ่อช่วยคุยแนะาสกเส่าที่เป่นน้ก็อย่างไรลวขอคุณาไม่ต้องหวงแล้วใช่คุณเป็นอเองกพว่าเขาไม้เเข้าแรกแท ไมเรื I I so I I ่องอะไรแต่วามแเอ๊ตุ๊กไม่ยืนอพอมันอายุยืนนะแคเคย่องแบ้ลกแล้วหน้าตุพ่อเหรอขนาดุกปุ๋อหาเลยแแก่เรอยนแก่ใจเอลงานได้ันบ้ันเป็นไปตามอพิจารณะไอพาว่าตัวหนจะเนอะไเป็นบันนั้นก็รักเองอะไมันนิดห่อยขอบพ ใส่ใจมาขอจริงเออก็คือบรสุขอเวเองใไมพรกขจะเปิดตรงใส่ใจใส่ใจเจ้าวาดนเจ้าวาดเอานั่นะหนักประหนัดพระทุขเข้าต่อแทกถ้าลงลงไปนะอก็ตไม่ได้เขียนมากแต่ต้องแบ่ันทานี้นะของไม่ไของไม่ขายีเพว่มากันเมาด้วยกั่อยเร่อยเรื่อยคืจะยกไได้นะครับบาลา มาแจ้งเอยดีนะไม่รูครับอ่ามองภาพก่อนยาวตามึงแล้าก็มีการส่งข้อที่จะเล็กรางไปเลยแล้วก็ลูารเลียวขาโดนข้อว่าลู่ทางนกระโนมายึดทีสองครั้งแล้วครั้งต่อาไม่หนักโดนดุงหัวลำลามลำไรทีนี้ลู่กลับไปเป็นบ้านแล้ว ว่าโดยว่าขัดเนอย่างไรตามความเป็นจริงากจะเรียนถามคุณพอว่าเราจะทำส่อย่างไรเวาตื่หลายตงคือไม่ต้องมีปัาเลย่ะกินตู้ปเนี่กินตูไปอะไรก็าังตู้ที่ไม่ใช่กวาดอันนี้มีเวลาครัคบ้านไม่ได้เวลาไปรัใจอะไรกี่ไม่ได้ยอ่ที่ใจเนี่ย อย่างอยู่ที่ไหนก็ทในเส้นหมดหมดนเส้นทัดมาโอ้ยยิงนะในเส้นเป็นกรรมฐานใช้หรือเพราะเส้นเปฐานแท้นะจะได้เรืองใฐานไอ้กรรมาไปทำแ่กรรการขี้ในฐานแม่ไก่เราอธิบายด้วยว่าเท่าโต๊เป็นกรรมฐานได้ยังไงวะทำไมเล้เวลานั่งหนึ่งในเตียงติสมาธิเราเห็นไหม เขารกเป็ปานที่สิบสองเหอนกใช่บางทีไหบางครั้งอะไรที่จะบอกแตานั่งคุณไวมากเกือบักที่แต้าเรื่องมาเรื่อนบอกที่นั่นไหน่้เ่มา่ย่ใช่เรื่องเ่อยยไมไเยปัจจุบันะไมไม่จำเปน หนูจะฟางคำนี้ e, ไว้ก็ได้ใช่ที่บอกว่าสางพระแลวงพ่อเทวโลกจอมสงฆ์ถือว mm ่าเดียวนี้คุณมีความตังใจเป็นอย่างมากปกป้งที่อะไรง้องน้ำโดยก็จะได้ตัวเอลูกหาทางแก้ไขโดยเอาแท่ี่ลอยใส่ลมลอยต่อใหบ้านฝั่งที่ข้างหน ทาอาจะพยายามหนาพยายามขนาแต่พูไม่ได้แล้วก็ลดลนหายใจไปเลยในงานสวนี้ก็ทำตามประเพณีทุกอย่างาาลูกมาถาวายรัรตนานธรรมาสองพัมบาทกับุณพ่อเอาทองคำมาถวายกับพ่อตลอดเมื่อผมที่จะเรียนถามก็คือว่าการเปิดเทคมรให้ผู้ใด้ตายแล้วก็ตายไปในาาขณะวามเทคมรนี้จะมีโอกาสไปเดิที่สูงเล่าเ้าคะเดียวเมอยู่ที่นี่จ มาแล้วอย่าเยาลยแต่โตสยใช่สิ่่อแ่แน้าโมโเดียวไมได้เลยอย่างคุณโทรด้ยอย่างแม่ม่ไปสวรรค์ก็มาใจดีในจนะ่จิตมันเดียวมายไปนาไม่ใชอไม่ลบุญเพียงเวที่ห้าบาทพิานได้หลายคนเล เวลาอ n ่มเลยนะทีกน้ยนะใช่ใช่ใช่ที่อยู่ครับเนี้ยฮะมัอยู่มันจะอยู่ยังเวียนกันไม่รู้นะไป g ด้เป็นแบบตามเดิมตามผู้ดีนะคนใก้ตายนเทศบลรก็ออกไปได้ฮะี่นี่นีื่วอะไรนะวัเรารใชู่้ใหญ่ายเี่ย นั่งแค่นั้นทำไเรื่อยๆหลวงพอนะแท่แอมีหวังกลางมาเกิดอีกเดี๋ยวนี้หายก้อยไปแล้วกิดแตกขึ้นขาวกระกายพื้นอ้าอะไรเนี่ยถาาหลวงพ่อมันก็จับโถอันนีตายแล้วเอาโล้นตัดใต่ความเมื่อกี้ว่าอ่คนตายแล้วอ๋อพิธีตามศาสนาพุ๊บด้วยทำพิธีตามศาสนาโอแท้ด้วย ไม่แน่ใจเลยมาทาวิธีดูละไว้แบบพระธาติทีอยสายลมด้วยการทำสามวิธีอย่างนี้จะมีโอกาสให้ผู้ตายได้รับทั้งสามอย่างหรือไม่หรืออย่างไดเท่าท้าได้ทั้งสามอย่างทาให้มีได้สามอย่างใช่ทันทีทางพุทธคือเสด็ะทำไหัได้ไรพระารายณก็ได้ไทยก็ไม่ได้ก็ได้แล้วขี้เผ่าเป็นขีเผ่า เอาไหนเขาบอกตายแล้วทไมมีรถไถก็ออกดเขากระดาษเขาอะไรไปเนี่ยอย่างเรมีแล้วหมอเป็นยังไงพิษิดะไปไมแต่ตรวนีมันจะให้ทาาดีก็ื่าท้งพ่อทางลูกเขยมม่จะเลี้ยงดูที่วบาทีรพ่อตายไปเสียกันพ่อไปเสีเาเสียมั้งเขาเสียเสียเขาไม่ได้พ่อเาไม่ยู่่อนี่นะ วันที่เจ็ดเนี่ยนี่แกระทสองอย่างเพื่อเกิดทำทำงพื้อไม่เกิดต่อมาถึงวันที่เจ็ดเตียนังกันข้านอนกอีเมลผู้เ <ug> ป็นหออจะเป็นผู้หญิงเลไอ้ตำรว้ที่ทไอ้ตู้เองแล้วขี้เท่าติดขี้เท่าเงินขี้เท่าทองี้เท่าเียงเมื่อรับจ้ะชกายแล้วเกิบสบายมากพอหรอจะไม่เจ็บะบายได้นะ่อกายสบามากพอือว่า ตั้งก็จะรูปมาตายยี่สิ่สลายสทานพขาลูกเลยทันเขลูกก็ไล่ทโดยความว่าไอ้ที่เขาเผาเัมากคิดเขไม่ไม่กอ็เหอนะเขาลัดจเสงี่นเสี้ที่ตเราทไมเนเาเี่ยวเกวเอตายนี่ีที่รการที่ก็คืออ้แต่น้าทตายนะหมดจะมาเป็นอยแต่ที่ลายอย่างเอขาอยากด้วยอ๋อ แเขาแสดว่าการขาเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยได้คนขายได้ก็าเอก็องคนทำร้อยขายได้ใช่ใช่ทำร้อยขายใครจะหรได้คนโสดได้คนทำก็ได้ไม่ถามไม่ให้คนได้ไหมคอัอไม่มีใครเสียเออแล้วก็ถือว่าถวายกรรมฐานที่ผลดีมากกว่ามีกว่ามเดือดหรือว่านมากกว่า เรืองสรานิชฌาก็มีเยอะว่าการผาอะไรผานิกรรมสารานที่ลอยไหลลงตัดการที่เป็นเวลานั้นมาทำสารพานอัศัยจะได้อันิยมมากกว่ากันใช่ไไปเชื่อจได้มากกว่าอันไหนใจจะได้มากกว่าได้ใจมากกว่าจริงใ ป้าใจมรงเข้าไปแทรกแล้วแทรกเแราวยแล้วเราแต่ของมันดีดเลยลงมเรื่อยๆถ่องกว่าถ้าใช่ที่แด้ต่อแล้วถ้าเรื่องเหมือนกันอ๋อถ้าอันนี้มึงเหมือนกันใชแต่ถ้าเวลาจ่ายจะจ่ายไม่ใช่สมัยเท่ากันที่ตอนนี้เลาซื้อมาที่พี่พกซุ้อจากันห้าร้อยเราใช้อาแล้วก็ได้จนแล้วก็ได้อ๋อี่โอถ้าป้าตี๊ดๆนั่นแหละปาี๊ดเราใส่เพราว่า หเัเงิที่ผ่านิการธนาคารพิการนลงหงก็เอาไปใช้ในทางด้านไห น, นได้ไหมไม่เหมื อ, ก น, อก น, กนกันไ้้อะไรเลยหมดปฏิัติจะหมดที่มาแล้วที่ไหวทุกเ่องทุเ่อไม่มีผ่านธนาคารเลยศาสอาบก็เลยไปเรื่องที่ไปอปัดต่างอะไรไปอันละนะโยงขึ้นใจยยเยอะเยอ ถ้าจะได้จัดตระเวนพ่วดปานนี้จะไปรีเงินปัดมาคานี่แข่งเลยนะจะได้ให้พ่อเงินนี่ดีาเราเด็อคนเดียว้ลยไอหยาเนี่ยนะดีเด่ดเลยไอเจ้าตังเง้นมันจนเป็นเวาตายก็ไได้ถดหลังก็ไม่ได้จะดแข่ก็ได้ดุหลังก็ได้ เป็นแรงก็ได้ไหลก็ได้านได้เงต้องทานได้ใช่ไหมถ้าไม่สร้างโบได้ไม่เฉงสร้างโบสร้างฐานได้เฉ่งสงฐานสรางพระได้เฉ่งสร้างพระเขาได้มเขาได้ตันเขาได้หลายตอได้เริจ้ะเดี๋ยวนี้้อการที่ถวายไรทามัจญาใส่ถวายส่วนอี่มัดีตาจังว่าบบเลยอันไหนทาากาาม าแม่ม่ลูกหลานที่ไม่รู้สุเด้องวไปตออได้รับอันสรกางมนลูก็นหลถามว่าตามท่านอบอกไงใครเขา้าตามมาเจอมันถามหาวจัยได้ใถามแม่บอกว่าเงินท่านบอกว่าเงินเนียที่เขาให้มาอยากให้ตัวตัวทั้งหมดน้งแต่ีระาก็ต้องอางปานั่นตั้งทันประธานก็ตั้งนตัวตั้งกินดังใช่ แต่เรยไทยเล่ยว่าแต่พอขาไม่รู้เรื่องทักษะเได้รู้ายไม่ต่างกันใครใช่หมเวาทริันีองก็ตอบแบบนี้พราะว่าการก็ตอบบบนี้เหมือนกันถูกที่จะไวลโอนออกเฉพาะาไอ้ก็เป็นกรทายทาไปด้วยเป็นสร้างเขด้วยเวลาไสรางรู้เรื่องตัวว้นท่หบองค์เขาไนะหกสิบเขาบอ้าะไรทีบอกขาหระไ คงเจอได้หรือไม่ทำเสร็จะ้อมเกินใช่ใช่เพราะอะไรไหมครับต hey he ัแพงได้จะมาคุยอยู so ่ในใจว่าพวกเราไปแจ้งขาวเพิ่มล้าหมื fixed, like so ่นสร้างจริงๆแล้วพหนึ่งหมื่นสร้งได้แรเราไม่เกได้จริงๆแล้วระมาณแปดเจ็ดเจ็ดหมื่นต่อเจ็ดหมื่นได้ตั้งเลยอะเงินตั้ เห็นหมนเป็คนบุกคนอ่ะถลายเป็นคนองยาอะโรดมอันใ่ย่เหมือนกันบบนี้นะไโรรู้ตัวเลยนะใช่ดีแ่ดีมากดีมากล่เปนทุกอย่างน่าอยตัวหวยนะเเจ็บใจ ก็อลยดู่้มง็มง้มไปอยู่คนเดียวไม่ใช่เราจะมีสูงเออก่าเกไม่ลงมาครับเพราะวยานเวลาตุอ้าเอ้าไป็ารว่าเห็ก้อนเห็เดียวอ้าวเราก็จะกล้าเราสอบตรวจสอบเราก็เรียกเลนะว่าเจ้าว่าลูกย้ายบ้านเก่าไปอยู่บ้านแห่งใหม่เลื่อบอกผีเล่าผีเรือนสังเกตุนี้ตอนปัจจุบันนี้รู้สึกว่าหลังใหม่ทีอยู่เขาอยู่ใน่ถวบ่ออาพาชมเยอะๆตั้งปุ่กุ ไม่ทราบว่าดีนร่าหรือเรือเก่าก็จะตามมาลาวีหรือเปล่ายืนลาเขาหรือเปลาใตามมัะมไม่หรือเปล่าที่จะไปจับก็ยุ่งยากไม่ใช่ยุ่งยานะแล้วไม่ไ้ยุ่งยาใหุ้กุกาดด่มโตบ้านหบ้านอะไรบ้างไปดูตัวเมียแสดงว่าบ้านเก่าไม่มีปัญหาอะไรนะก็ ให้คนีตั้งนาิกาไว้เอาตัวเดียวนะจะไอ้ที่เจอแล้จะไปมื่อคืนอาหารนราไปก็ขอเตือนคนทีจะบริจาคกระจายเอาจิตไปสร้างชื่อพระพาจากพรลูกกระดงดภัยพเ็นายาัการปที่ใดเม่อดท้โลคนทพท หลอมังกรกายการศาสนาบรมีองค์พรเจ้าพิณสีพระธรรมาตุสุติจารุตุโธองค์พระเบเอุทิจารุตุโองค์ระธรรมะอารียสมรหลายตุนเทดามาบาตุบาาริกสุา้งดวงพระเจาตล่วล่อัทาว่อรามัยแก่แ่กระตูมีความตั้ทอย่างทุการพยายามทีวยเยอประเทศไทพระพุทธศาสนาและทุบริการสหลายทีวยท่า ตาโมสามตบปุถุติโสสามตบเราพันนาคาเราปัจจุบัน ทิศตะวางบนทุกทุกทุกทุก